เราจะนั่งสมาธิจากนี้ไปถึงสิบเอ็ดโบงครึ่งสามสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยมันจะปวดจะเหน็บจะชาแค่ไหนไม่ตายไม่พิการให้มันปวดไปเป็นไปได้แลวอย่าไปขยับมันเนาะสู้วะสู้นะจำไว้เลยแค่ครึ่งชั่วโมงนี้มันจะปวดหลังปวดแข่งปวดขาปวดหน้าปวดไหล ให้มันปวดไปเลยให้มันชาไปเลยมันไม่ตายยังไงมันไม่ตายไม่พิการแน่ๆออถ้าเรารู้อย่างนี้ได้มันก็จะง่ายอนะเพราะว่าพอนั่งไปตักสิบนาทีมันเริ่มปวดพอปวดเสร็จนั่งรอเลยทีนี้ลมเริ่มไม่ดูแล้วรอว่าหลวงพ่อจะบอกเลิกตอนไหนอพอพอจะสับ พอจะเปลี่ยนท่านั่งก็จำเรืองดูข้างๆเอ้ยมันนั่งกันนิ่งหมดเลยจะเปลี่ยนตัวเองก็เสียฟอร์มก็นั่งโทนอยู่นั่นนหละอันนี้เขาเรียกว่าได้นั่งมันได้นั่งมันรู้ไว้เลยสามสิบห้านาทีจากนี้ไปมันจะปวดจะเจ็บจะยังไงก็ปล่อยมันเลยมันไม่ตายไม่พิการแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องไปสวยใจมันมากนักเออ เอาแล้วพร้อมเลยนะ <c oughs> ที่นั่งพื้นก็เอาการนั่งที่ตนถนัดที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ตั้งกายให้ตรงอย่าไปพิงอย่างนี้นะดูนะดูนะดูก่อนคนนั่งเก้าอี้อย่าไปนั่งพิงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสียของ นั่งอย่างนี้เลยเนี่ยยาวหลังไปพิงเก้าอี้นั่งตร ง, งนี้ต้องนั่งตรงอยงนี้ให้ตรงให้กระดูกสันหลังตั้งตรงตรงตรงมือเก็บไห้เรียบร้อยที่นั่งเก้าอี้เนี่ยมือเก็บแล้วก็รู้ลมหายใจเนี่ยบางทีถ่าเราใส่หน้ากากแน่นๆน่นะมันจะเกิดเป็นเวทนาคือเกิด ค, ค, ความร้อนตรงช่องโพรงจมูก พอเปิดเวทนาตรงนั้นแล้วนี้เราก็จะรู้ลมหายใจลําบากหน่อยทีนี้ถ้าลมถ้าหน้ากากเขียวๆอย่างนั้นน่ะหน้ากากหน้ากากแพทย์อะ่ะก็จะง่ายและดีเลยแต่ถ้าหน้ากากผ้าบางบางบางบางยี่ห้อบางนั้นอะ่ะมันจะทําให้การหายใจลําบากแต่ถ้าเราใส่หน้ากากอยู่บ้านเราฝึกจนชินแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้เหมือนกันก็ไม่ยาก เอาละเพรียมพร้อมเก็บมือให้เรียบร้อยมือขวาซ้อนอยู่บนมือซ้ายตั้งไว้ที่หน้าตักวางแล้วก็ตั้งนิ่งเลยขาที่นั่งอยู่วางดูเอาความรู้สึกไปจับที่ขาที่วางอยู่พอวางได้ที่แล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็โน้มจิตกลับมาอยู่ที่ใบหน้า รู้สึกที่ใบหน้าของตนเองอยังกายให้ตรงไว <c oughs> ไง้ไม่ต้องรีบร้อนมไม่ต้องรีบร้อนวิ่งหายลมหายใจไม่ต้องรีบร้อนอย่าทําเก่งช้าๆไม่ต้องรีบไปไล่ไปตามลาดับให้มันเหมือนกับเราจะขับจะขี่จักรยานยน เราจะขี่เก่งแค่ไหนพอนั่งบนปอคร่อมจักรยานปับ๊บมันจะใช้ในความเร็วเจ็ดสิบแปดสิบมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อนมันก็จะต้องเริ่มจากเริ่มต้นก่อนรู้สึกอยู่ที่ใบหน้าของตนเองก่อนหน้านี้ใจเราจะไปอยู่กับอะไรก็ช่างปล่อยวางไป ตอนนี้เรามารู้สึกที่ใบหน้าใบหน้าของเราด้านบนเป็นหน้าผากด้านล่างเป็นคาง <canvas S 1> เนื้อคางเป็นปากเนื้อปากเป็นจมูกนเนื้อจมูกก็เป็นตาสองข้างเ <ๆ S 1> น, นื้อจมูกเนื้อตาสองข้างก็เป็นคิ้วแล้วก็เป็นหน้าผากด้านซ้ายเป็นแก้มซ้ายด้านขวาเป็นแก้มขวาให้ความรู้สึกมันโดดขยับเดินทั่วรู้สึกอยู่บริเวณนี้แหละใบหน้าของเรา แล้วจากนี้ไปเราก็จะนำความรู้สึกของเราทั้งหมดตรงเข้าไปสู่ลมหายใจที่เขาเข้าออกเข้าออกอยู่เป็นธรรมชาติในการรู้ลมหายใจนั้นต้องมีสามประการประการแรกลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกซึ่งอยู่ในฐานะของสิ่งที่ถูกรู้จิตที่รู้ลมหายใจเป็นประการที่สองประการที่สาม คือที่ตั้งสำหรับที่จะเราจะรู้ลมหายใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มรู้ลมหายใจเราต้องให้ปรากฏสามสิ่งนี้ก่อนทันเราก็หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแะ่ปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาชา้าชาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น ที่ที่เราจะรู้สึกต่อลมหายใจของเราก็อยู่ตรงช่องจมูกนั่นแหละดูว่าเมื่อลมหายใจมันเคลื่อนออกมาแล้วเรารู้สึกกับลมตรงไหนได้ตรงนั้นแต่คือที่ตั้งของจิตรู้เราจะเฝ้ารู้ดูอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจวาตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาชา้าชาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจจิตที่รู้ลมหายใจมันทำหน้าที่เหมือนรอปอพอที่อยู่ในป้อมยามสถานที่ที่เราเข้ารู้อยู่ตัวนั้นมันเป็นป้อมยามลมหายใจเป็นเสมือนรถที่วิ่งเข้า ว, วิ่งออกจิตรู้จะอยู่ในป้อมยาม เหมือนรอปๆที่อยู่ในป้อมยามนั่นแหละเขาจะรู้รถที่เข้าที่ออกหมดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเมื่อรู้ที่ตั้งของจิตรู้อย่างนี้แล้วรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกจนสุดจากนั้นก็เริ่มรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าทำลมหายใจกลางๆไม่ต้องแรงมากให้มันสบายสบาย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 มันจะยาวหรือจะสั้นก็ชั่งมันตอนนี้ยแค่รู้ลมหายใจที่ออกรู้ลมหายใจที่เข้าก่อนให้จิตมารู้ลมหายใจไหลออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าโซสโตวะอัตสติสโตวะปัสสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเป็นอันดับแรกหายใจเข้าไปบางทีเราหายใจออกมันสองขยักสามขยักบางทีหายใจเข้าก็สองขยักสามขยักหายใจเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งมันมีเหตุให้ต้องหยุดกลืนืน้ําลาย เราก็รู้ไปพอหายใจเข้าต่อไปก็รู้ไปบางทีมันก็สั้นบางทีมันก็ยาวก็รู้ไปตามที่มันเป็นพอจิตมันเริ่มรู้ลมหายใจตรงนี้ได้ ต่อไปนี้ทําลมหายใจยาวนะพระพิจารณ์ท่านว่าทีคังวาอัตตสั้นโตทีคังอัตสามีติประชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวรัดช่างอารัดั่งวาทีคังวาปัตตสันโตทีคังปัตสามีติประชานาติเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวรัตังว่าทีคังว่าอัตชันโตดีคางอัตสามิติปัะชาาติทีคังว่าปัตจัชนโตดีคังปัสัมิติปัะชาาติโดยประโยคนี้บอกให้เรารู้ว่า หายใจเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเราจะต้องทำลมหายใจของเราให้ยาววิธีทำลมหายใจให้ยาวก็คือผ่อนลมหายใจลงมาอย่าให้เป็นลมแรงลมกลางๆางแล้วลมยาวนั้นไม่ควรยาวจนถึงความอึดอัดเรารู้ว่าเมื่อยาวไปกว่านั้นมันมีความอึดอัด เราก็หยุดแค่ลมยาวที่ลงหายใจออกยาวแล้วสบายสบายหายใจเข้ายาวแล้วสบายสบายแล้วก็ประคองลมหายใจเข้าออกยาวอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจว่ามันยาวไม่เสมอมันยาวไม่ตลอดก็ไม่ต้องไปตกใจถ้ามันยาวไม่เสมอก็รู้ว่ามันยาวไม่เสมอ มันยาวไม่ตลอดก็รู้ว่ามันยาวไม่ตลอดแล้วเราก็ทำลมหายใจนั้นให้ยาวให้ตลอดไม่ต้องไปกดดันหรือเก็บกดบังคับตั้งใจแล้วก็ปลดปล่อยความหวังความต้องการเช่นอยากได้สมาธิอยากได้ฌานสมาบัติอยากได้ความสงบพอเรามีความอยากเข้ามาปั๊บเมื่อใดเมื่อนั้นจิตเราจะเป็นอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันทันทีเพราะนั้นตรงต่อกายต่อใจ เข้าสู่กายแท้คือลมหายใจแล้วก็ใจก็คือตัวที่รู้รูปกับนามมันคู่กันอย่างนี้ลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้านั่นเป็นรูปจิตที่รู้ลมหายใจที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนั่นเป็นนามนั่นเป็นรูปเป็นนามมันเป็นชีวิตที่เป็นปัจจุบันณตรงนั้นตรงที่มันรู้ลมหายใจตามความเป็นจริง ให้ลมหายใจเคลื่อนออกมันก็รู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็รู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจเข้ารูปนามคู่กันแบบนี้เป็นชีวิตอย่างนี้ทําลมหายใจยาวประคองลมกลางกลางให้เป็นกลางกลางไว้ พอตรงสู่ลมหายใจมันหมดหมดชื่อหมดนามสกุลหมดสิ่งสมมุติทั้งปวงที่อยู่ข้างนอกมันชําแรกแทะเข้าไปสู่กายแทะจิตรู้อย่างก็ไปสู่ลมหายใจเด็กก็ลมหายใจเหมือนกันผู้ใหญ่ก็มีลมหายใจเหมือนกันหญิงก็ลมหายใจชายก็ลมหายใจพระก็ลมหายใจโยมก็ลมหายใจเมื่อตรงสู่ลมหายใจแล้วมันหมดเพศหมดชื่อหมดเทียงมันไม่มีอย่างอื่นเลยเป็นธรรมชาติแท้ ที่มีจิตรู้ยังลงไปสู่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทำลมยาวรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแต่รอจิตมันเริ่มเคลิมก็ตั้งกายให้ตรงยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงหมายความว่า ทำกระดูกสันหลังข้อต่อมาจนถึงกระดูกข้อต่อให้มันตั้งกายให้ตรงหัวเราตั้งตรงอยู่บนกระดูกที่ตั้งฉากกับพื้นที่นั่งตรงไม่เอียงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่โกงหน้าไม่แอนหลังตั้งให้ตรงไว้ พอตั้งตรงปับความรู้สึกตัวก็จะกลับมาความเครื่อก็จะหายไปแล้วก็น้อมจิตเข้าไปรู้ลมหายใจทำลมหายใจนั้นให้ยาวอย่ารำคาญว่าทำไมมันหลุดบ่อยทำไมมันทำยาวไม่ได้ทำไมมันดังนั้นไม่ได้ความยาวของลมหายใจของแต่ละคนไม่เท่ากันเราทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็รักษาความเป็นลมยาวที่เราทำได้ไว้ ให้แน่วแน่อยู่กับลมที่เรารู้ยาวทั้งไหลออกและไหลเข้าต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นทำสบายสบาย อย่าลืมพอง่วงให้ยืดกายนะอย่าไปท้อกับการที่ต้องเริ่มต้นรู้ลมหายใจใหม่ให้ตั้งกายให้ตรงให้จิตมันตื่นพร้อมที่จะรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าไปทำลมยาวไว้ นรูลมยาวได้ก็ปล่อยลมหายใจตามปกติลมหายใจตามปกติในขณะนี้ของบางคนมันก็อาจจะยาววิธีรอดปล่อยลมหายใจตามปกตินั่นหมายความว่าเรามีความตั้งใจกําหนดน้อยลงปล่อยลมหายใจที่ไหลออกให้มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ให้ลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันยาวหรือสั้นปล่อยไปตามธรรมชาติด้วยก่อน จากการที่ก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าตามปกติตอนนี้ลองน้อมใจน้อมใจคือน้อมใจที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นให้มันมุ่งเน้นเข้าไปค่อยๆน้อมใจเข้าไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเพิ่มขึ้น น้อมใจเข้าไปเพื่อมุ่งรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าให้มีกำลังในความน้อมใจเข้าไปนั้นเพิ่มขึ้นลมก็จะถูกรู้ชัดเจนขึ้นจิตรู้ก็จะมีกำลังกลงรู้ที่เพิ่มขึ้นค่อยๆรู้เข้าไปอย่างละเอียดแล้วอ รู้ก็ไปอย่างละเอียดละอ่อเหมือนกับน้อมใจเข้าไปเพื่อใส่ใจในการรู้ลมหายใจอย่างละเอียดละอ่อต่อลมที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลาง ล, <andar S 1> ลมปลายลมจนสุดลมหายใจน้อมใจใส่ใจเข้าไปอย่างละเอียดละอ่อต่อ ล, 拜拜 ล, arcade, ลมหายใจไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมกลาง ล, naszej, ล, energia, ลมปลายลมจนสุดลมหายใจน้อมใจเข้าไปเพื่อการรู้ เพิ่มขึ้นน้อมใจเข้าไปเพื่อรู้ในเนื้อลมหายใจว่าลมหายใจที่ไหลออกมันมีเนื้อลมเป็นอย่างไรเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้ามีเนื้อลมเป็นอย่างไรน้อมใจเข้าไปเพื่อรู้เพิ่มกำลังอ <ningar> ย่างการน้อมใจเข้าไปเพื่อการรู้ลมหายใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ ในชีวิตเราทั้งชีวิตตอนนี้จิตที่รู้นั้นไม่มุ่ ง, งที่จะรู้อะไรมีแต่จะรู้และศึกษาลมหายใจที่ไหลออกเท่านั้นมีแต่จะรู้และศึกษาลมหายใจที่ไหลเข้าเท่านั้นดูความละเอียดของเนื้อลมหายใจว่าลมหายใจที่ไหลออกของเราเมื่อเริ่มต้นลมนั้นเป็นอย่างไรดูกลางลมเป็นอย่างไร ปลายลมเป็นอย่างไรสุดลมหายใจเป็นอย่างไรจากนั้นก็เห็นลมหยุดในระหว่างที่ลมหายใจออกสุดมีจังหวะที่ลมมันหยุดน้อมใจเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจที่มันหยุดลมหยุดหมายความว่าลมไม่ได้เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไม่มีการเคลื่อนไหวผ่านทางช่องจมูกแต่เราก็คว้าวรู้อยู่ตรงที่ ท่ตั้งของจิตรู้ที่เรารู้สึกลมหายใจนั่นแหละความรู้นิ่งๆในขณะที่ลมหายใจเขาหยุดจากนั้นก็ให้ลมเคลื่อนเข้าก็รู้เคลื่อนออกก็รู้พอลมหยุดก็รู้ลมเข้าก็รู้ ลมออกก็รู้ลมหยุดก็รู้ลอยลมหายใจไหลเข้าไหลออกตามธรรมชาติของเขาแล้วเราก็เฝ้าดูลมหยุดเวลาเรารู้ลมหยุดบางทีมันก็หยุดนานบางทีมันก็หยุดทัาน ให้ควารู้จิตรู้นั่นจะคอยรู้ลมที่หยุดไม่ได้ปรุงแต่งสงสัยว่าลมที่เข้าไปหายไปไหนลมที่ออกมาจะออกไปไหนไม่ต้องไปสงสัยเพียงแต่ว่าเมื่อลมมันหยุดก็คว้าวรู้ลมหยุดอยู่ตรงนั้นเฉยๆนิ่งๆเมื่อลมหายใจเข้าก็รู้ลม พอลมหายใจเข้าสุดลมมันหยุดอีกก็รู้ลมหยุดเน้นที่ลมหยุดลมหายใจเข้าออกเป็นแค่เครื่องเกาะรู้แต่นี้เน้นรู้ลมที่หยุดพอหยุดนานๆลมออกมันจะมาก็ปล่อยลมหายใจที่ไหลออกให้มันเกิดขึ้นพอลมหายใจไหลออกสุด ลมหยุดเราก็รู้ลมหยุดข้าวดูลมที่หยุดอยู่นั้นข้าวดูนานๆลมหายใจเข้ามันก็จะเกิดเราก็ปล่อยลมหายใจให้เข้าพอลมหายใจเข้าสุดลมมันหยุดเราก็รู้ลมที่หยุดรู้ลมหยุดอยู่นิ่งๆเฉยๆพอลมออกมันจะเกิดก็ปล่อยลมหายใจไหลออก พอลมออกสุดลมหยุดเราก็รู้ลมหยุดอยู่เฉยเฉยพอลมหยุดรู้ลมหยุดเฉยเฉยลมหายใจเข้าจะเกิดก็ปล่อยลมหายใจให้เกิดพอลมหายใจเข้าสุดลมมันหยุดเราก็รู้ลมหยุดอยู่เฉยเฉอย่างนี้ทำอย่างนี้สลับไปสลับมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ พอความง่วงความเคลื่มปรากฏตั้งกายให้ตรงการตั้งกายให้ตรงทุกครั้งเป็นการเริ่มต้นความเพียร ถ้าใจมันเผลอหลุดออกไปที่อะไรอื่นก็ดึงกลับมาเฉยๆไม่ต้องไปใส่ใจกรลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจหยุดรู้ในสภาพที่ลมหายใจมันหยุดรู้ในสภาพที่ลมหายใจไม่ได้เคลื่อนมันนิ่งอยู่ตรงนั้น พอลมหายใจเข้าจะเกิดมันก็ปล่อยเราก็ปล่อยลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าพอลมหายใจหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจหยุดนานๆไปมันก็จะเกิดลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกพอลมหายใจออกสุดลมมันหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดหยุดรู้ไปเฉย จนหายใจเข้ามันจะเกิดก็รู้ลมหายใจเข้าพอลมหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดทำอยู่อย่างนี้ ต่อไปนี้ให้น้อมจิตไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วยกมือขวาขึ้นให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือขวาไปช้าช้าวางไว้ที่เข่าข้างขวาจิตรู้สึกอยู่ที่มือข้างขวาวางเข่าข้างขวาอยู่ยกจิตมาที่มือข้างซ้าย ขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นให้จิตรู้สึกขยับมือซ้ายเคลื่อนไปช้าๆให้จิตรู้สึกวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วยกจิตมารู้สึกเฉพาะอยู่ที่ใบหน้าของเราผะหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิจบปากชา้าวปากใบเนี่ย จะรู้ลมชมกายรู้ลมชมกายก็คือรู้ลมชมกายโดยละเอียดว่าโดยเรื่องของอาการ32แต่ได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมฐานข้อหนึ่งที่พวกเราผู้พัฒนาสติจะต้องรู้บอกชื่อไว้ก่อนได้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญา อาหารเ ร, ราปราติคูลสัญญาถ้าใครกลับก่อนนี้ตอนบ่ายก็จะไม่ได้ยินนะเรื่องนี้อา้าวสำหรับตอนนี้ก็เออก็ดีนะไม่มีใครเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตายแล้วรู้สึกว่ามันสบายหน่อยใช่ไหมพอรู้สึกว่ามไม่ตายแล้วมันสบายหน่อยพอรู้สึกว่าไม่พิการนี่มันสบายหน่อยนี่พอปักใจลงสู้กาเข่าว่ะ พอเรานั่งปั๊บลงยังไงมันก็ไม่ตายยังไงมันก็ไม่พิการปวดแค่ไหนแค่ไหนมันก็ไม่ตายไม่พิการเออมันรู้สึกมันปวดขึ้นมามันก็เบานะ